ซึ่งก็ทำให้โครงการเทตมาดูแลเนี่ยคือโครงการปเชิญก่อนตายอย่างสงบเนี่ยตอนนี้ก็เลยจัดกิจกรรมการอบรมเริ่มมานานหลือยังเจ้าค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปีสี่หนะเราก็ทำมาแบบทีแรกปีแรกๆ ก, ก็ทำแบบปีล้ไม่กี่ครั้งตอนหลังเนี่ยในช่วงสองปีหลังนี้ก็ทำทุกเดือนนะเป็นเป็นยังไงคะในระยะแรกนี่คือพระอาจารย์ไปให้การอบรมที่ ที่โรงพยาบาลหรือว่าเข้ามาอบรมกันที่วัดเจ้าคะอ๋อเราจัดอบรมในที่ที่สะดวกหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่สัมมนาครั้งแี่มีประชาสัมพันธ์กันยังไงเจ้าคะ ท, ที่มาครั้งแรกนี้<ะ>ก็มันเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลของกระทรวงสาธารณสุขเรนะาจัดที่ไบเทคตอนนั้นก็มีกิจกรรมหลา ย, ลายด้านเจ้าค่ะการอบรมเพื่อ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 เขาสนใจมานานเพราะเขารู้สึกว่ามันมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งกันตรงนี้ก็เยอะ <erte. S 2> แต่ว่าปัญหาที่เขาเป็นห่วงก็คือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยตายแบบทุรนทุ ร, ท ร, ทรายซึ่งเขาไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้เขาคิดว่าการที่ผู้ป่วยตายสงบนี่น่าจะดีกว่าวแล้วก็มักจะพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยญาติก็อยากจะยื้อให้อยู่ไปได้นานๆซึ่งก็สร้างความทุกข์ทรมานให้กับ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 เรามองได้หลายแง่ในกรณีนี้คือการถอดเครื่องหายใจเราจะมางว่าเป็นการช่วยเขาได้กลับคืนสู่การจับไปยังธรรมชาติก็ได้นะอย่างถ้าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยในช่วงเรลาก็พยายามยื้อชีวิตเอาไว้ทั้งที่ท่านก็มีคําสั่งจริงๆในครูบาอาจารย์หลายหลายรูปเลยนะเจ้าคะที่เห็นว่าพยายามที่จะยื้อท่านอเอาไว้ โดยโดยใช้สารพัดที่จะเข้าไปช่วยท่านและไม่ปล่อยให้ท่านปฏิบัติได้ถึงตรงสุดท้ายจริงๆตรงนี้บาปกับลูกสิยงไหมเจ้าคะ่ะก็ทำด้วยความปรารถนาดีแต่ว่าก็จะทำให้ท่านไม่สามารถที่จ ะ, ะจักไปงสงบได้ก็นี่อย่างกรณีจ้าจจกพูดท่านนี่ท่านก็ทีแล้วก็มีการพยายามยื้อชีวิตท่านไว้แต่ท a f t e r ก็ยื้อไม่ไหวก็พาท่านส่สงกลับสนโมนะก็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 เป็นส่วนน้อยในกรณีที่เป็นคนแก่เป็นคนสูงอายุน ะ, อ, ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ที่เราว่ายาติเกิด ก, การตัดสินใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝาเป็นข้อที่ก็คือว่าญาติเนี่ยส่วนใหญ่ที่คิดเช่นนั้นเนี่ยคือช่วยยื้อชีวิตเอาไว้เนี่ยพยายามทำทุกอย่างเพื่อยื้อชีวิตเนี่ยเพราะคิดว่านั่นคือวิธีเดียวที่จะช่วยคนไข้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 ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีเทคโนโลยีไหนจะช่วยได้และแพทย์พยาบาลเนี่ยก็ช่วยได้ไม่เท่าญาติครานี้ญาติเนี่ยอาตมาพบว่าถ้าเขารู้ว่าเขายังสามารถช่วยคนไข้ได้โดยเพาะในเรื่อ ง, องจิตใจเนี่ยหลายคนก็ยอมนะที่จะไม่ยื้อชีวิตของคนไข้เอาไว้แต่จะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยในการที่พูดคุยกับคนไข้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 แต่ว่าลูกก็ยังอยากจะให้ให้ช่วยอยู่คุณหมอท่านก็รู้ดีว่าไอการทําเช่นนั้นเนี่ยนะมันก็คงจะไปได้ไม่ถึงไหนเราก็สร้างความทุกข์ธรรมะกับคนไข้แต่ก็ไม่ได้ห้ามนะแต่บอกว่าในช่วงเวลาสําคัญอย่างนี้เนี่ยมันมีอย่างนึงที่คนไข้ที่ที่ญาติสามารถช่วยได้ก็คือการที่ช่วยให้เขาจากไปอย่างสงบอย่างที่ว่ า, าพูดเมื่อกี้เนี่ย <Okay. S 1> คนไข้ญาตินี่ยพอเขารู้ว่ามันมี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 ส่วนใหญ่ไม่รู้ส่วนใหญ่คิดว่าทางเดียวที่ช่วยในใคนไข้ได้คือว่าปั๊มเต็มที่นะแล้วเนี่ยแต่เขารู้ว่าเอ้ยมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้นคือให้เขาจับไปสงบค่ะแล้วก็หลายกรณีเนี่ยนะเราเพบว่า้การที่พูดกับคนไข้เนี่ยนะมันช่วยแม้จะไม่ต้องใช้เทคนโนโลยีอะไรมากมายเนี่ยมันช่วยทําให้เขาจาับไปสงบได้ถ้ารู้วิธี ใช่ไหมเช่นการที <ık immen> <ge gr Bab fully> <h oney> <hi> ่การที่ได้พูดถึงความในใจให้เขาให้คขาน้อมถึงสิ่งที่ดีนะและการพูดบอกทางเขาให้เขาเกิดความรู้จักปล่อยวางนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีมันมีอำนาจมากกว่าเทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นมีกรณีหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเพื่อนพระทรายฟังคราวหนึ่ท่านก็ไป ดูแ ล, ลรูปงพ่อคมเขียนใช่ไหมครับ อ, อาจารย์ธรรมาที่หลงพิมา์จุฬาเพื่อนห้องค้าเนี่ยประมาณตีสองเนี่ยคนไข้เนี่ยทําท่าจะไม่ไหวย่าก็เลยมาหาพระรูปนี้แม่พระอยู่ใกล้ๆ ใ, ใ, ใช่บอกว่ามาช่วยรับสังฆทานหน่อยเพราะคนไข้เนี่ยไม่ไหวนะเป็นคุณยายกระสับกระส่ายนะแล้วก็ยาก็เอาไม่อยู่ใช่ไหม ก็มารับสังฆทานท่านก็เออก็มารับสังฆทา น, นนะนะแต่ว่าท่านคิดว่าในพทวชนี้เนี่ยมันทำได้มากกว่า น, นั้นท่านก็ได้ได้ได้รู้ว่าคนไข้เนี่ยชอบทําบุญชอบใส่บาตรแล้วชอบไปวัดไตรมิตรไปไปทําบุญไปทําสมาธิที่วัดไตรมิตรไปกราบวา่า้หลวงพ่อทองที่วัดไตรมิตรก่อนที่จะแนะนําใครเนี่ยต้องถามข้อมูลก่อนอ จักย่านข้อมูลทั้งหมดนี่ได้มาจากย่านเลยท่านก็บอกว่าโยมวนนีวอนพรานะอายมนะก็เตรียมตัวะใส่บาตรพรานะอายอมคดข้าวใส่ขันเตรียมดอกไม้ทุบเทียนพร้อมหรือยังโอ้โหจินตนาการน้อมนาเนี่ยพร้อมน้อมนำระหวาแล้วเนี่ยพอ พอไปได้สัก พ, พักเนี่ยโยมนี่แก น, นิ่งเลยแล้วแกก็ผนมมือผนน ม, มือคือพอคิดถึงพระนี่คารวะชาวบ้านแล้วก็ผนมมือนะะแล้วก็บอกเอ้โยมนะตอนนี้ก็เตินไปหน้าบ้านนะมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาจะเห็นพระไหมไม่เห็นโยมบอกไม่เห็นมองทางซ้ายสิเห็นไหมเห็นแล้วแม่มีการา<ม>เห็นด้วยค่ะเพราะ เขาที่บ้านเนี่ยโยมพระก็จะมาทางทางซ้ายใช่คอือจิตนี่ย้อนน้อ ม, อมกลับไปสู่ชีวิตที่เคยทำ ค, ความดีที่เคยทำก็ใส่บาต ท, ทีละลูกทีละลูกทีละลูกพระท่านก็พูดนํอาอ้าวโยมใส่บาตนะโอ้โหถวายดอกไม้ด้วยพระต้องเป็นนักจินตนาการด้วยนะเจ้าค่ะโยมแกก็จินตนาการไปเลยเจ้าค่ะก็หยุด ไม่ไม่ไม่ไม่กระสับกระสายเลยให้ออกจากกายเลยจิตน้องไปตรงนั้นเลยใช่หไหมเจ้าค่ะแล้วก็บอกเอาเอ า, เอาหลังจากที่ใส่บาตรกราวดูแล้วก็บอกเอ า, เอายมตอนนี้ไปนะวะัดไตมิตรไปไปนั่งวัดไตมิตรอะไปกราบาพระหลวงพ่อวระไตมิตรแล้วก็สงบเลยนะนะคือท่านก็ไม่ได้ทําอะไรมากแต่ว่าท่านได้นําเอาความประทับใจหรือสิ่งดีๆที่โยมเคยทําเนี้ยตอกเข้ามา เพื่อเป็นเครื่องน้อมจิตให้เกิดความสงบความทุรนทุรายเนี่ยหมดไปเลยนะแล้วก็แล้ะในไม่กี่ชั่วโมงหลังนั้นโยงแล้ก็ไป อย่างสมวินิบุญบุญสุดท้ายจริงๆเลยที่เขาได้เจอนะคะไม่ได้นำจิตวิญญาณอันนี้วแต่กุศลใครกุศลมันนั้นเนี่ยถ้าสร้างสร้างมาแล้วสุดท้ายจะไปเจอใครไปเจอวิบากไปเจอคนที่ทำให้เราจิตตกหรือไปเจอคนที่จะยกเราขึ้นไปสู่สมถะตรแต่ก็ต้องมีมีบุญที่เคยทำไว้เป็นพื้นเป็นทุนไว้ก่อนอย่างที่คุณเจ้าตัดว่าบุญดํานําให้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 ดีเพราะในกรณีที่บางคนเนี่ยเขามีเรื่องค้างขาดใจเนี่ยเราจะช่วยเขาได้มากจเพรานะ <ero> <ม>ว่าถ้าเขามีเรื่องค้างขาดใจเนี่ยยิ่ไปไม่สงบนะยังมีมีโยงคนนึงเนี่ยแกแ ก, แกเก็นมะเร็งเป็นผู้หญิงนะแกเป็นเมะเร็งตายตอนสามทุ่มเช้าวสว่างตายยังไม่ปิดเลยฮะ<ม>พยาบาลพยายามพยายา ม, มปิดต า, าตาก็เปิด ขนาดตายไปแล้วตัวพี่สาวเนี่ยก็ฉเฉลียวใจก็นึกขึ้นได้ว่าสงสัยแกคงยังห่วงลูกเพราะว่าตอนที่ป่วยหนักเนี่ยก็พูดถึงลูกลูกมีเสือสี่คนสองคนติดยาใช่ไหมก็สุท้องเนี่ยอายุเก้าขวบไม่รู้ใครจะดูแลเจ้าค่ะแกก็จุดทูปบอกว่าไม่ต้องห่วงลูกนะจะช่วยดูแลลูกให้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็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 สุดท้ายก็มาก็มาก็มารักษาตัวที่บ้านก็เรียกว่ามามาม า, มาเตรียมตัวตายที่บ้าน<ะ>นะพระก็ไปคุยนะให้ปล่อยวางนะแล้วก็ตอนที่วันสุดท้ายเนี่ยพออาการแกเริ่มแย่แล้วเนี่ยตัวสามีก็ไปเรียกโทรศัพท์เรียกลูกเรียกหลานมาลูกก็มากันเกือบหมดขาดคนหนึ่งใช่ไหมแกก็เฝ้าคอย คนนะเดียวนะแล้วก็เสร็จแล้วตอนค่ำๆเนี่ยนะก็บาลเกือบโคกขาดคนเดียวเนี่ยนะแกก็ลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมาแล้วก็ตามหาลูกคนนี้นะสามีก็บอกว่าก็ก็ได้รับการแนะนำจากพระเนี่ยบอกให้ปล่อยวางก็บอกว่าอย่าไปต้องห่วงลูกนะลูกเขาดีแล้วไปดีแล้วนะขอให้เราปล่อยวางลูกไปเธ อ, อยังไงลูกก็มาแนะ่นะแกก็ ก็ปล่อยวางแกก็ล้มลงไปนอนอืถ้บพักก็ไปถ้ามีคนเตือนไปสงบเนี่ยคือคือเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาช่วยช่วยชีวะเตือนให้เขาออปลดปล่อยตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ได้สติตรงนั้นที่เขาคิดจะอยากจะปล่อยวางตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังยืดที่ทําให้เขาไม่ตายแล้วบางทียึดยึดนี่บางทีทําให้บางคนเนี่ยไม่ตายง่ายใช่อย่างที่อย่างที่มีดีเจคนหนึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ย แกเป็นดีเจชื่อดังมาแกก็ขยันนะเป็นดีเจยอดนิยมทำมาหากินขยันแข็งสร้างบ้านไปเรือนหอเตรียมแต่งงานปรากฏแ ก, กเป็นมะเร็งอาการก็หนักสุดลงไปเรื่อยๆนาะปรากฏว่าร่างกายเอาไว้ทุกส่วนเนี่ยหมดไปเลยตายหมดแต่หัวใจยังเต้ น, นหมอแปลกใจมากปรากฏว่าข้างๆเนี่ยแฟน ที่ยังไม่ตัได้ไม่ทั้งใได้แต่งงานก็ร้องห่มร้องไห้โอ้ยังร้องอยู่ข้างๆบอกว่าอย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปนะอย่าไปแต่พอรู้ว่าเขาไม่ไหวแล้วมันทรมานมันหลายมันหลายวันแล้วนี่ใช่ไหมเขาก็บอกมั่นเขาไปเถอะเมียเธอทรมานแล้วหัวใจหยุดเต้นเลยฮะไปเลยโอ้โหจิตพลังของจิตตรงนี้สั่งกายได้ใช่บางที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 ไม่ทําทําอะไรไม่ดีกับลูกเอาไว้ใชแต่พอพ่อเองเนี่ยนะเขาเขาได้พูดได้พูดนะมันก็ทําให้ทําให้เกิดความเรียกว่าการเยียวยาทั้งสองฝ่ายนะบางทีเนี่ยนะเอ่อบางทีถ้าเราสามารถเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายก็ได้ได้พูดความในใจออกมาเนี่ย ไอ้การจับใจอย่างสงบก็เกิดขึ้นได้นะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกข้างขาดใจในฝ่ายผู้ที่จะป่วยหรือเป็นความข้างใจค้างขาดใจในฝ่ายที่เป็นญาติสําคัญมากเพราะฉะนัในญาติเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าเ้ามีความสําคัญมากนะบางทีเราไปพึ่งหมอไปพึ่งพยาบาลแต่เราลืมไปว่าตัวญาติเนี่ยนะเขาสามารถจะทำอะไรสิ่งดีๆให้กับคนไข้ได้อย่างน้อยนะการได้ไม่ําแม้มพูดเรื่องการบอกทาง การได้ขอขอมาการได้ข อ, อสีการได้พูดความติดใ จ, ใ จ, จค่ะแล้วบางทีนะคนไข้เนี่ยเขาเขารู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างไม่ถูกอย่างเช่นมีมีมีคนมีแม่เนี่ยป่วยนะเพียรอาการก็หนักเพยาบาล น, นี่ก็เห็นว่าคงจะไม่ไหวแล้วก็มาแนะนําลูกว่าให้ไปขอ ข, อขอมาแม่ซะลูกเนี่ย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 พยาบาลสังเกตก็เลยไปถามลูกว่าได้ได้พูดความในใจหมดเลยยังลูกบอกอ้าวพยาบาลรู้ได้ยังไงมีเรื่องหนึ่งไม่ได้พูดก็คือว่าไปอยู่กินกับผู้หญิงยังไม่ได้บอกแม่เลยเก็บเก็บเิดบไว้กอ่อนเก็บไว้เก็บเป็นความลับไว้แกะคิดว่าไม่ใช่เรื่องสาคัญเจ้าค่ะใช่แต่แม่เนี่ยเขาเซ็นได้แล้วแม่รู้สึกว่า ทำไมจนถึงป่านนี้ยังไม่ไม<พ>บอกความในใ จ, จใช่ไหม <c oughs> แม่ก็รู้สึกว่าทำไมลูกเป็นอย่างนั้น <c oughs> น้อยใจใช่ไหสุดท้ายแกไปบอกเปิดเผยว่าเนี่ยได้ไปอยู่กินวิหญิงแล้วนะไม่ได้บอกแม่ขอโทษด้วยแม่ก็รู้สึกดีขึ้น <c oughs> นะบางทีคนเราก็มีแค่นี้ <c oughs> ติกเรื่องเรื่องแค่นี้แลซึ่งคนที่เป็นคนที่เป็นคนไข้เนี่ยกับคนที่เป็นญาตเนี่ยถ้าว่าจับตรงนี้ได้เนี่ยพยาม ปลดปลื้มสินค้างขาดใจที่มีต่อกันมันก็จะสบายใจบางคนเนี่ยเสียใจ ญ, ญาติเนี่ยคนไข้เนี่ยอามิญาติเสียใจที่ไม่ได้พูดความในใจบางอย่างเช่นภรรยาเสียใจที่ไม่ได้บอกรักกับสามี <5. S 1> อยากจะบอกก็ไม่ด่าจนทั้งสามีโคม่าแล้วก็มานั่งเสียใจซึมว่าทาไม ไม่ได้พูดกับเขาในยามที่เขามีชีวิตอยู่ไอ้ที่<ช>ฉันกระแทกกระชั้นไปแต่จริงๆแล้วฉันยังรักเธอ <laughs> แล้วไม่เคยพูดเลยนะ <laughs> แต่พยาบาลนี่แกไวยัยเนี่ยพยาบาลก็สังเกตว่าเขาซึมยังไงก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ภรรยาก็เลยเล่าว่าเนี่ยรู้สึกเสียใจยที่ไม่มีโอกาสได้พูด <laughs> ตอนนี้เขาก็ไม่รู้สึกตัวแล้วพยาบาลบอกว่ายังไม่สายยังไม่สาย คอยคุณพูดในสิ่งที่คุณอยาพูดเหมือน<ม>กับว่าเขายังปกติดีอยู่ต้องการฟังอยู่ภ <laughs> รรยาก็พูดว่าเนี่ยเขาสุขเขาว่าฉันเนี่ยมีความสุขเป็นคนโชคดีมากที่ได้อยู่กับเธ อ, อใช่ไหม<อ>ะมีความสุขมากมีซึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าฉันรักเธอแค่นีน้ฉันคงอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีเธอแต่ว่าฉันก็มหมายเธอได้ทุกมากไปกว่านี้แล้ว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 ข อ, ของแต่ละชมรมของแต่ละหน่วย<ล> ง, งานของโ<ม> <ลง S 2> รงพยาบาลใ ช, ใช่ไหมเจ้าคะ่ะส่วนใหญ่เขามีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วคือโรงพรยาบาลหลายแห่งตอนนี้เนี่ยก็มีหน่วยที่เรียกหน่วย palliative care ค, คือหน่วยการให้แบบ ป, ประคับประคองนั<ร>้น<ม> เ, เขาจะเขาจะเขาสนใจโครงการนี้ใช่ไห ม, มเขาก็ส่งคนมามารับการอบรมนะแล้วก็อบรมให้สามวันสามวันนะสามวันเนื้อหาแล้วเจ้าค่ะเนื้อหาเนื้อหาพูดถเรื่องของ ภาวะจิตของคนใกล้ตายนะล้วพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือทางจิตใจกับผู้ป่วยใกล้ตายแล้วก็มีการทำซ้อมมีการก็เรียใช้บทบาทสมมุติบท <น S 1> <นะ S 2> บาทสมมุติคือก็สมมติว่าเออคุณเป็นผู้ป่วยใกล้ตายนะฉันเป็นพยาบาล น, นะนจะพูดยังไงจะพูดยังไงเออฉันเป็นญาติจะพูดยังไงเจ้าค่ะเออเราก็มาสุขกันว่าพูดอย่างนี้ได้ผลไหม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 ว่าเสียใจที่ไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุด ใ, ให้กับพ่อให้กับแม่ ใ, ให้กับย่าให้กับยายที่เขาดูแ ล, แลเราตั้งแต่เล็กแล้วเขาจากไปโดยที่เราไม่ได้อยู่กับเขาใช่ไหมเจ้าค่ะหลายคนเขาก็ได้เขได้พูดก็ได้แล้วเข้าสุขเข้าเบาขึ้นอืคือการปฏิบัตินี่เราก็ทําเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยใช่ไหมคือเขาก็ได้เขายัางก็ได้ได้ได้สึกปลดเปื้อนสิ่งข้างขาดใจ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 เมื่อไหร่ที่จะมีการเปิดอบรมนะคะระยะเวลาก็มีมีทุกเดือนก็เปิดเรามีเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์เว็บไซต์อะไรเจ้าค่ะเออ www. d b u n e s s d net u d n e t info นะคะก็จะบอกว่ามีกิจกรรมอบรมค่ะหรือโทรไปที่เครือข่ายพุทธกาได้ไหมเจ้าค่ะตรงนี้ก็เป็นศูนย์กลางเเบอร์เบอร์โทรศัพท์เจ้าค่ะอ่เบอร์โทรศัพท์อ่เดี๋ยวเดี๋ยวมบอกจะใช่เะ โทรโทรศัพท์โทรไปที่เออ่สมสิกขาไลซึ่งเป็นผู้จัดก็ได้นะฮะก็เป็นผู้จัดร่วมกับเครือข่ายชอพุทก็ น, นี่คือ02 314 314 7385 7385เจ้าค่ ะ, ะ02นะค ะ, ะ314 7385นะคะค่ะเป็นเสมสิกขาไลนะคะ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 แนวคิดนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันใต้ก่อนตายหมายถึว่าตายจากกิเลสหรือตายจากความยึดถือในตัวตนก่อนที่จะตายจริงๆในทางร่างกายนะผู้ใดาตายจากตายจากตัวตนตายจากกิเลสนะซึ่งอันนี้เราก็ไอ้คำนี้เป็นคําของท่านอาจารพุทธทาสนะที่ท่านได้ได้พูดเอาไว้เราก็ในการอบรมนี้เราก็ได้พูดด้วยว่าคนเราต้องควรฝึกการตายก่อนตาย เช่นเตรียมตัวตายหรือฝึกตายในขณะที่เรายัางห่างไกลาจากความตายเราจะฝึกตายก่อนนอนหรือว่าฝึกตายในชีวิตประจำวันนะก็ทำได้ฝึกตายก่อนนอนก็เช่นว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราจะต้องตายในคืนนี้ะนะร่างกายของเราที่เคยอุ่นก็จะก็จะแข็งเย็นนะฮลมหายใจที่เคยเข้าก็จะหลุดจากร่างไป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 คิดถึงเรื่องอะไรบ้างและจะปลดปล่อยตรงนั้นยังไงใช่ซึ่งหลายคนเนี่ยบอกว่าให้เรื่องทรัพย์สมบัติปล่อยได้แต่ที่ปล่อยได้ยากคือเรื่องลูกเรื่องออคนรักพ่อแม่สำหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวแล้วเขารู้เลยว่านี่นี่คือสิ่งที่เป็นเป็นปัญหาของเขาซึ่งจะต้องแก้ไขแต่ว่าเขาก็จะรู้ว่าเออต้องฝึกทุกวันทุกวันทุกวั น, ว น, วนจนกระทั่งพร้อมที่จะปล่อยได้เพราะว่า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 ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุช่วงไหน ถ, ถ้าฝึกได้อย่างนี้เนี่ยสติมันมามันมันจะคุมสถานาการณ์ตรงนั้น ใ, ในการที่จะคิดต่างได้เราจะรู้ล ว, ว่าจะน้อมจิตไปที่ตรงไหนในขณนะนั้น<ะ>ซึ่งถ้ า, ถาใช้วิธีอย่างท่านอาจารยุทธานเนี่ยก็จะนึกไปถึงกระทั่งว่าไม่นึกถึงตัวตนปล่อยวางตัวตนหมดสิน้นนะไม่ต้องไปนึกถึง สวรรค์ไม่ต้องไปนึกถึงสุคติอะไรทั้งสิ้นปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงไม่ติดทั้งในบุญในบาปไม่มีเลยอันนั้นก็สําหรับคนที่เขาปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งแต่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเราก็จะอาจจะนึก้อมนึกถึงสิ่งที่ดีก่อนใช่ไหมใช่ตรงนี้กำลังจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าคือจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มไม่เคยปฏิบัติเลยกลุ่มหนึ่งปฏิบัติมาบ้างอีกกลุ่มหนึ่งปฏิบัติมากกว่าคนที่แนะนําำเนี่ยนะคะการการแนะนําเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็เน้น ควรจะเน้นอะไรในแต่ละกลุ่มนะเจ้าคะอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนเขต้องนำไปปฏิประยุกเองนะแต่เราก็จะบอกเป็นขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ว่าให้ค่อนเึกถึงมรณาสติอยู่เสมอในชีวิตประจำวันก่อนนอนหรือว่าในขณะที่เขาตื่นทางในขณะที่เาอ่านหนังสือพิมพ์ได้เห็นข่าวอุบัติเหตุศกนาตรกรรมแทนที่จะเห็นแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นเรื่องคนอื่น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 เรื่องคน<ว>พูดเพราะเป็นมงคลเพราะเป็นเรื่องอัปัมมต ธ, ธรรมซึ่งถือว่าผู้เจ้าถือว่าเป็นธรรมที่ครอบคลุมธรรมะทั้งปวงเนะี่ยเหมือนกับรอยเท้าช้างเนี่ยครอบคลุมรอยเท้าสัตว์ป่าทั้งหลายอัปัมมต ธ, ธรรมเนี่ยก็เป็นธรรมะที่ครอบคลุมธ ร, รรมะทุก ข, ข้อแล้วก็มรณาสติคือการเจริญอภัมมตธรรมคราวนี้เนี่ยนั้นนี่คือแบบแบบคนทั่วไปใช่ไหมฮะคราวนี้สาวคนที่ทําอยู่เป็นประจําแล้วเนี่ย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 ถึงสิ่งเราน้อมนึกไปถึงเรื่องการปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงอืนะไม่มีตัวตนที่เป็นผู้ตายไม่มีไปพ้นจากความรู้สึว่าฉันตายอะตรงนี้เนี่ยมันก็ยากขึ้นมาอีาหน่อยใช่ใช่เพราะฉันตายเนี่ยมันมียังมีฉันใช่มันอันนี้แหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าเหนือความตายคือไม่มีผู้ตายคไม่มีฉันผู้ตายนะ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 และการพิจารณามรามรสมราสติอย่างต่อเนื่องนะจนกรนทั่งว่าเรียกว่าถ้าสามารถตายจากความยึดในตัวตนไดน้มันก็เรียกว่าเหนือความตายอย่างสิ้นเชิงจ ค, ค่ะพระอาจารย์ครับเ อ, อคนที่เขาใกล้จะหมดลมเนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่อายตนะที่เขาดับก่อนนี่คือส่วนไหนคะถ้าพูดแบบทิเบตเขาทอธิบา ย, ยานี้ว่ามันจะเป็นไปตามลําดับของธาตุคือธาตุดิน ธาดินเริ่มไปก่อ น, นก็คือหมดแรงไม่มีเรื่องไม่มีแรงเดิน<ง>เดินไม่ได้นั่งไม่ได้ยื้ไม่ได้ต้องนอนร่างกายผายพร้อมนะทาตน้ําน้ําเริ่มแปรปรวนน้ํำมูลน้ําตาเยอะคอแห้งบางทีอุจจาะปัสสวะไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอกาอรกำเนิดหูรูนมันอ่อนซึ่งมันเกี่ยวธาตุดินดินแล้วก็น้ําแล้วก็ไฟไฟก็เริ่มเย็นไฟธาตุเริ่มแตกดับคือว่า เริ่มเย็นบางทีก็ร้อนมากอะไรเงี้ยใช่ใช่ที่ที่ยมเจอคือตัวร้อนจีเลยนะร้อนแบบโอ้โหมันคุ้นกันแล้วก็ค่อยเริ่มเย็นเย็นขึ้นมาจากเท้าจากเท่าขึ้นมาจากเท่าขึ้นมาจากหัวลงมาก็มีอและบางบางบางทีหมดลมไปแล้วตรงกายนี่อุ่มอยู่เลยตรงส่วนนี้ยังแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอันนั้นก็ในทางลมลมนี่อันสุดท้ายแต่ไม่ใช่ว่าลมลมหมดแล้วไฟไม่มีนะไฟยังมีอยู่ ใช่แต่ว่ามันหมดสภาพของขอ ง, ของการยังชีวิตให้เป็นไปได้แล้วนะดินน้ําไฟลมอันนี้พูดถึงทั่วๆไปนะคนตายไปธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคนตายไปอุบัติเหตุหรือว่าตายไปไม่ไมเป็นธรรมชาตินี่ก็อีกแบบหนึ่งคราวนี้เนี่ยธาตุดินมันก็สมการเห็นเห็นนะตอนแรกก็จะเริ่มการเห็นก็จะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วตาฝ้าฟางต่อมาการได้ยินก็จะไม่ค่อยได้ยินแล้ว ต่อมาก็จะเป็นการได้กลิ่นก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นแต่ยังสัมผัสรู้ตัวใครว่าสัมผัสก็รู้ตัว <Okay. S 2> ยังรู้สึกได้แต่ถึงสุดท้ายนี่แม้กระทั่งสัมผัสก็ไม่รู้แล้วเนี่ยนี่เป็นเป็นการอธิบายแบบที่เบตซึ่งเขาตรรมาคิดว่ามันก็ใช้ได้ทั่วทั่วไปกับคนป่วยส่วนใหญ่แต่จริงมันก็จะไม่ ไ, มได้ประสบการณ์คำนี้เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นแค่การ แม้หมดลมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการแค่การตายในทางกายแต่ว่าจิตยังต้องมีการผ่านกระบวนการแตกดับเมื่อผ่านกระบวนการแตกแล้ว อ, อย่างจนจบแล้วถึงจะโรตตายอย่างสิ้นเชิงเมื่หมดลมยังไม่รึงเว่าตายนะใช่เพราะบางคนมีฟื้นกลับขึ้นมาอีกอะเจ้าค่ะอันนั้นเนี่ยอันนั้นก็ด้วยก็แสดงว่าธาตุดินน้ําไฟลมยังไม่ยังไม่แตกดับอย่างสิ้นเชิงการหมดลมก็ จ, จะเป็นการหมดหมดลมคือพวกนี้ไม่ได้ไม่ตายแบบไม่ได้ตายแบบ ไม่ได้ไม่ได้เกิดอาการเป็นธรรมชาติแต่ว่าอาจจะเกิดจากหัวใจหยุดเต้นเกิดจากอุบัติเหตุค่ะตอนนี้หลายๆคนไม่ทราบนึกว่าตายไปแล้วจริงๆทีนี้พอนึกว่าตายไปแล้วจริงๆบางครั้งกลุ่มพวกนี้กลับขึ้นมาได้แต่เกิดไปฉีดยาช่ทําให้เขากลับมาไม่ได้แล้วพรดนยาเข้าไปแล้วค่ะอยากันกันโสมแล้วไม่มีโอกาสกลับมาอย่างน้อยเขาก็อัดจำลีแล้วหลวงพ่อจมูก ทํารเขาปิดเขาอัดจำลีเป็นฟ้อนๆเลยเจ้าค่ะก่อนที่จะฉีดยาค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆพอมาปฏิบัติแล้วจะเห็นว่าผู้นักปฏิบัติที่ไปเองไปอย่างสงบหลับตายอย่างไม่นี้ไม่ชี้รูปหนึ่งนะเจ้าค่ะที่มันหลัอไปไม่นานเนี่ยฮหลับไปเนี่ยหลวพ่อไม่ให้ฉีดยาไม่ทําอะไรเลยเพียงแต่เอเช็ดเนื้อเท็ดตัวอาบน้ําแล้วก็อ่าแกก็หลับมนคนหลับสบายแล้ว จากนั้นก็สวดไปเจ็ดวันไว้ในถ้ำเย็นพอวันที่เอาออกมาเผาเขาก็ยกศพออกมาเพื่อที่จะวางผ้าไตรทอดบนบนศพเลยนะคะตัง้งยี่สิบกระไดสามสิบกระไดปรากฏว่าหน้าเธอเป็นสีชมพูหลวงพ่อหน้าเป็นสีชมพูวสวยกับอ้วั น, นทีน่ละกเลยถ้าบางครั้งไม่ไม่เอาเข้าห้องเย็นนี่ไม่แน่นะ แต่ว่าก็ตอนไปรดน้ำเนี่ยหพ่อไปขอจับที่ตัวหน้าผากยังอุ่นอเลยขนาดกันละไปตั้งแต่เช้ามืดนะคะลดน้ําอักเสบโมงเย็นแล้วอะค่ะหน้าผากยังอุ่นเลยเรยยกกลับมันี่ยหน้าผักไม่ซีกหน้าผากเราก็อุ่นไม่ต่างกันนะลยตอนหมดลงไปตัวเคี้ยวเลยแต่วันที่อมาเผาเนี่ดูสวยมากมีอีกกรณีหนึ่งเมื่อกี้แล้วไม่มีกลิ่นเลยหลวงพ่ออืมพระอาจารย์ยังไม่ได้ตอบอีกอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ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 บางครั้งที่ท่านกําลังกําลังปฏิบัติอยู่กําลังเจริญภาวนาอยู่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยอยากว่าหลายๆคนก็ต้องระวังนิดนึงที่จะเข้าไปก็บอกสนิดเหมือนเหมือนเรากําลังทําสมาธิอ่ะอยู่ๆอีกคนมาเธอแบบมันสะดุงะด้งนึกนึกถึงเราเองเี่ยต้องค่อยๆสําหรับตัวตัวโยมเองก็คิดว่า <c oughs> ตรงนี้ก็สําคัญในการที่จะเข้าไปเข้า ห, าหาหรืออะไรอย่าไปคิดว่า ท่านหลับอยู่หรืออะไรหรือแม้แต่คนปกติก็เหมือนกันนะเจ้าคะ่ะถ้าไม่บอกเขาบางครั้งเขากําลั ง, งกําลังทำๆอยู <c oughs> กก่กำลังกำลังกำหนดพุดโทบางคนบอกเขากําลังกําหนดอยู่แล้วพูดโธอยู่อะ่ะไม่ต้องมา <c oughs> มาบอกอะไรเขามากมายอะไรอย่างเงี้ยอืแต่ก็ต้องเป็นความสังเกตของของคนที่จะเข้าไปด้วยอ่ะเจ้าคะ่ะ ช่วงสนทธรรมใต้ร่ม โ, รโพในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญพบกับบทสัมภาษณ์พระอาจารย์ภัยศารวิสาโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสกิดใจ